สิขาบทที่6เรื่องพระหลายรูป632สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยูนะ่ณเพศการามฤคธายวันเขตเมือง ส, งสุมาริคิระแคว้นพักคะครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายเทน้ำล้างบาทที่มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านใกล้โกกนดปราศาสตร์พวกชาวบ้านพากันตำหนิพระนามพลธนาว่า ชนายพระสัมาเาสัชื้อสายสก ย, ย, ยบุตรจึงเทน้ําล้างบาทที่มีเมเล็ดข้าวในละแวกบ้านเหมือนขรหัดผู้บริโภคามเล่าพวกพิกษจได้ยินชาวบ้านตนําหนิประนามโผนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงพากันตนําหนิประนามโผนธนาว่าชนายภิกษุทั้งหลายจึงเทน้ำล้างบาทที่มีเมเล็ดข้าวในละแวกบ้านเล่าคลั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิขาบุตรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุเทน้ํำล้างบาทมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านจริงหรือภิกษุทั้งหลาย ท, าาทูลท ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้า่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนีว่าภิกษุทั้งหลาย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 พระหลายรูปจบสิกขาบทพิพังภิกษุไม่พึงเทน้ำล้างบาดมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเทน้ำล้างบาทมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านต้องอบัติทุกข์กดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข่ 5. ภิสูุเก็บมเมล็ดข้าวออกแล้วเทน้ำล้างบาทหรือขยี้เมล็ดข้าวให้ละลายหรือเทน้ำล้างบาทในกระโทนนำไปเทข้างนอก 6. ภพิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. พิกษุวิกลจริต 8. ภพิสษุต้นบัญญัติสิขาบทที่ 6. จบ